วันนี้มีคอร์สก็มีคนนั่งรถตู้อยู่คอนแก็นวันนี้หลวงพ่อคิดว่าการเทศคงจะยากเพราะว่าพวกเราส่วนหนึ่งเนี่ยมาเพื่อจะมาจองกูติ มีวัตถุประสงค์เพื่อจองกุฏิวันนี้วันนี้เปิดให้จองวันแรกนะเปิดตีสองสามวันก็เต็มละอันนี้จะให้สิทธิคนที่ยังไม่เคยมาอยู่ที่วัดนี้นะไม่เคยมาค้างที่วัดให้สิทธิคนกลุ่มนี้ก่อนพวกที่เคยก็ต้อง แบกให้คหนอื่นก็บ้างนะแล้วถ้ายังเหลือก็จะเคยให้พวกที่เคยมาครั้งนะสักห้าปีหรือสามปีอะไรเงี้ยนะงันที่ไม่พอเราบางคนแย่งเก่ง ถ้าปล่อยให้แย่งแล้วแย่งได้ทุกทีเลยเรียกว่าเป็นเอตทัคคะทางแย่งริงนะพวกที่มาเข้าคอสนะเคยฟังซีดีหลวงพ่อหรือเปล่าคนไหนนถามนหยทั้งหมดเลยทั้งที่เข้าคอสไม่เข้าคอส ใครไม่เคยฟังซีดีหลวงพ่อเลยมีไหมยกมือซีมาจากประเทศไหน <c oughs> <c oughs> มีด้วยหายากนะถ้าเคยฟังแล้วนะ <c oughs> เคยอ่านแล้วมันก็จะไม่ยากสิ่งที่หลวงพ่อสอนไม่ใช่เรื่องประหลาดลึกลับ เป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดาเรื่องของตัวเราเองนี่โดยธรรมชาติของเราตั้แต่เกิดมาเนี่ยเราจะสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นมากกว่าตัวเองจิตใจเราจะไปอยู่ข้างนอกพอเราลืมตาขึ้นมาเราก็จะมองเห็นคนอื่นลืมตาขึ้นมาไม่มีใครมาลืมตาดูตัวเอง เวลาเปิดหูเพื่อมาฟังเสียงก็จะฟังเสียงคนอื่นไม่ค่อยฟังตัวเองนะสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นสนใจสิ่งที่มากระทบร่างกายสนใจกลิ่นนะนี่มันกลิ่นอะไรอนะไเนี้ยสนใจพอได้กลิ่นก็สนใจว่ากลิ่นอะไรเวลาเห็นรูปเพื่อโอ้ยรูปนี้สวยรูปนี้ไม่สวยนะชอบไม่ชอบนะใจออกไปข้างนอกหมด ไม่รู้ว่าใจชอบไม่ชอบไม่สนใจจิตใจตัวเองเงั้นจิตเราถูกดึงดูดออกข้างนอกตลอดเวลาถูกดึงดูดไปหารูปคือสิ่งที่เรามองเห็นสนใจในรูปไม่สนใจตัวเองไม่สนใจตาของตัวเองไม่สนใจจิตใจของตัวเอง เมื่อไปรู้รูปแล้วไม่สนใจกายไม่สนใจใจนะเวลาได้ยินเสียงก็สนใจเสียง Account. ไม่สนใจตัวเองหูตัวเองเป็นไงก็ไม่รูนะ้ใจตัวเองเป็นไงก็ไม่รู้ไม่สนใจเวลาได้กลิ่นก็สนใจกลิ่นมีกลิ่นอะไรชอบไม่ชอบอะไรเนี้ยไม่รู้นะไม่รู้ทันใจตัวเอง ลืมจมูกของเราเวลาได้กลิ่นอะไรถูกใจหรือไม่ถูกใจหอมหอมเห ม, ม็นเมนอะไรนะสังเกตไหมเราลืมจมูกเราไม่สนใจกระทั่งจมูกตัวเองนะแส่สายจมูกออกไปเที่ยวดมสนใจของข้างนอกเวลาได้ยินเสียงก็ไม่สนใจน ะ, จะกำลังสายหูฟังอยู่ไม่รู้หรอกหรือกําลังสายตาดูอยู่เนะยไม่รู้หรอก ไม่สนใจร่างกายตัวเองไม่สนใจความรู้สึกหรจิตใจของตัวเองเนี่ยใจเราถูกดึงดูดออกข้างนอกตลอดเวลานะให้วิ่งไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาพุทะภาพุทธภาเป็นสับเฉพาะสับเทคนิคอลเทอร์มของสิ่งที่มากระทบร่างกายเราอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยมีอะไรมากระทบกายเราไหม ยังมีลมพัดมาเย็นๆใช่ไหมสิ่งที่มากระทบเราเล้วเรารู้สึกนะคือความเย็นหรือมวลของลมที่มากระทบเวลาลมมันกระแทกมารู้สึกไหมมันเหมือนเป็นกลุ่มเป็นก้อนมีมวลของมันเหมือนกันตรงที่มันมีมแรงประทะนะรู้สึกมันแข็งๆนะมันมีท่าดินในลม ม, นมีความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหวหรือท่ลม แล้วมันมีอุณหภูมิมันด้วยอุณหภูมิเป็นธาตุไฟงั้นในอากาศในลมที่เคลื่อนไหวเนี่ยมีธาตุครบเลยดินน้ำไฟลมมากระทบแต่ส่วนที่ร่างกายเรารู้สึกได้อี่จะรู้สึกถึงธาตุดินคือความแข็งความอ่อนเราจะรู้สึกถึงธาตุไฟนะคือความเย็นความร้อนรู้สึกถึงธาตุลมคือความเคลื่อนไหว เนี่ยเราจะรู้สึกได้สามธาตุธาตุน้ำไม่รู้สึกนะไม่รู้สึกด้ว ย, ด, วยด้วยด้วยร่างกายเวลาน้ำมาถูกตัวเราเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความเย็นรู้สึกไหมมันะจะไปที่ตัวนั้นแล้วมวลของน้ำที่มากระทบเราเนี่ยมันเป็นธาตุดินธาตุน้ำคือความดึง ด, ดูดนะ น, นี่รู้ด้วยใจไม่ต้องเรียนลึกขนาดนี้หรอกเล่าให้ฟังเพลินเลิน งั้นเราจะสนใจสิ่งภายนอกสนใจรูปสิ่งที่เราเห็นสนใจเสียงที่ได้ยินสนใจกลิ่นที่เราได้กลิ่นสนใจรสที่เราได้รสสนใจความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็ ง, งความตึงไหวอะไรอย่างเงี้ยคือธาตุต่างๆที่มากระทบร่างกายแล้วก็สนใจเรื่องราวที่คิด เวลานั่งคิดอะไรนะรู้เรื่องที่คิดแต่ไม่รู้ว่าใจกำลังคิดคิดไปแล้วสุขหรือทุกข์ก็ไม่รู้คิดไปแล้วดีหรือร้ายก็ไม่รู้นี่ยเรามพีแต่สนใจของภายนอกนุกพู ด, ดุลถ้านเรียกว่าส่งจิตออกนอกส่งจิตออกนอกก็ส่งจิตหลงไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหกช่องนี้เอง จิตเราไหลออกไปหกช่องนี้เองนะไปทั่วโลกไปทั้งปีทั้งชาติกี่ปีขี่ชาติ mm hmm. ก็ไหลออกไปหกช่องนี้แหละอันนี้จิตเราไหลไปเราไม่เคยรู้เลยเราหลงออกข้างนอกนะการปฏิบัติธรรมนะต้องย้อนกลับมาโอปัายิโกย้อนกลับมาเรียนรู้ตัวเองไม่ใช่ปล่อยจิตปล่อยใจล่องลอยออกข้างนอกตลอดเวลาต่อไปนี้พอตาเรามองเห็นรูปนะ ให้สนใจที่ร่างกายจิตใจของตัวเองนะเช่นพอเห็นสาวปุ๊บเนี่ยโอ้ยรีบยืดคอนะสาวสวยถูกใจเรานะรีบยืดคอไปดูเนะี่ยร่างกายเคลื่อนไหวแล้วนะสนใจตัวเองบ้างบางคนน่าเกลียดมากมเห็นสาวสวยแนะน้ำลายยืดเลยนะนะสอสันดานสุนักะนกะนกเวลาอยากกินอะไรน้ำลายไหลเคยเห็นไหมเคยเห็นหมาน้ำลายไหลไหมนะ พวกที่นั่งอยู่ตรงนี้บางทีก็ไหลนะในกลิ่อยู่ๆขึ้นมเนี่ยพราะตาเราเห็นรูปนะใจเราสนใจปุ๊บร่างกายเราเคลื่อนไหวแนละ้ะหันไปมองขับรถมานั่งรถมาเวลารถชนกันมองไหมสนใจใช่ไหม <Yeah. S 1> มองบางคนกลัวว่ารถชนกันเดี๋ยวมีคนตายหรือเปล่ากลัวนะ ม, มองตาเดียวเรียก ว, ว่า ดูครึ่งหนึ่งปิดไปครึ่งหนึ่งเพื่อลดความหวาดเสียวลงครึ่งหนึ่งนะเนะนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวขยับเขยืขย้อนเลยไม่เคยรู้สึกเลยนะแล้วจิตใจของเราในขณะที่เห็นรูปเป็นยังไงไม่เคยรู้เลยล้าเลยที่จะรู้กายรู้ใจของตัวเองนะต่อไปนี้ไม่ล้าเลยนะว่าตาเราเห็นรปนะูปเนี่ยร่างกายเราเป็นยังไงรู้สึกจิตใจของเราเป็นยังไงรู้สึก เห็นรูปแล้วใจเราชอบรู้ว่าใจชอบเห็นรูปแล้วหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดอย่างเราเห็นหน้าคนคนหนึ่งเดินมาเนี่ยคนนี้เราชอบนะเห็นแล้วเราดีใจความดีใจเกิดให้รู้ไม่ใช่รู้แค่ว่าในคนนี้มานางคนนี้มาหรือนางสาวคนนี้มานบางคนชอบหลอกเด็กบอกเด็กคนนี้มาอเงี้ยสนใจแค่นั้นต่ไปให้รู้ ลงไปเลยใจเราดีใจได้เจอคนที่เราชอบรู้ว่าดีใจเนี่ยหัดรู้ตัวเองอย่างนี้อมองไปเห็นคนที่เกลียดใจเราเกลียดขึ้นมาอย่าโมจะไปดูเขาให้รู้ทันใจที่เกลียดด้วยหัดรู้อย่างนี้ไปเพราะนั้นเวลาตาเรามองเห็นรูปร่างกายเราเคลื่อนไหวเรารู้สึกจิตใจเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง เ, เราคอยรู้สึก นี่เรียกว่าการปฏิบัติย้อนมาดูตัวเองย้อนมาดูกายดูใจของเราเองเห็นหมาบ้าวิ่งมาใจรู้สึกยังไงดีใจไหมหมาบ้าวิ่งเข้ามาตรงมาที่เราเนี่ยจะกลัวใช่ไหมกลัวรู้ว่ากลัวนะเราก็วิ่งหนีหมาการวิ่งหนีหมาเนี่ยไม่ต้องวิ่งสุดชีวิตวิ่งแบบฉลาด วิ่งให้เลีวยว่าเพื่อนนิดเดียวก็พอแล้วนะไม่ต้องวิ่งเินเป็นที่หนึ่งหรอกสมมติวิ่งหนีสิบคนเนะ่ยเราเป็นคนที่เก้าก็พอนะสละเพื่อนเราเนคนสุดท้ายให้นะมันมัวไปกัดไอ้คนนี้เราไปได้อีกไกลนะเวลาที่เราไม่ตกใจนะมัะมีสติมีปัญญาในการรักษาตัวเอง มาบ้าวิ่งมาตกใจกรีดกรีดนะเต้นอยู่ที่เดียวหลับตากรีดกรี๊ ด, ดทำตัวเหมือนนกกระจอกเทศนกกระจอกเทศเวลามีอันตรายนะหัวสุกปีกสิงโตมาแนละ้วหัวสุกปีกเราไม่เห็นสิงโตแล้วโลกนี้ไม่มีสิงโตแล้วนะนนที่สุดดีนกกระจอกเทศก็มีนะอหัวสุกปีกมองไม่เห็นไม่เห็นแล้วปลอดภัยอย่าเงี้ยซึจริงๆไม่ได้ปลอดภัย งั้นเวลาตาเห็นรูปนะใจเรารู้สึกยังไงคอยรู้ไว้ไม่งั้นอาจจะเป็นนกกระจอกเทศหรือว่าสติแตกวิ่งหนนะีอย่างเดินไปที่มืดมืดเปลี่ยวเปี่ยวนี่ยต้องทําเสียงอย่างนี้ด้วยนะที่มืดมืดวงเวงนะเดินไป เ, เนี่ยเห็นอะไรเคลื่อนไหวอย่ันนี้นะผีแน่นอนถ้านะผีมาตอนเช้าไปดูก็เป็นต้นกล้วย ถูกลมพัดแนขะ้งเทิดบรรยากาศให้เพราะว่าผีมาตามองเห็นใจกลัวรู้ว่ากลัวนี่เรียกว่าการปฏิบัตินะการปฏิบัติที่เราคิดเหมือนต้องนั่งสมาธิ ต, ต้องเดินจงกรมนั่นมันเปลือกเท่า น, นั้นแหละสาระสำคัญจริงๆนะคือการรู้เท่าทันกายรู้เท่าทันใจของตัวเอง แารเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นแค่เปลือกมันรูแปแบบทําดีไหมดีทําได้แต่ตอนเดินจงกรมตอนนั่งสมาธิต้องคอยเรียนรู้กายรู้ใจตัวเองถึงจะเรียกว่าเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นถ้าเดินจงกรมแล้วก็ใจลอยเดินจงกรมแล้วก็เครียดแล้วไม่รู้ว่าเครียดใช้ไม่ได้นะียกว่าเดินทรมานตัวเอง หรือนั่งสมาธิเนี่ยใจลอยไปหรือเคลิ้มขาดสติแล้วไม่รู้เรื่องเลยหรือนั่งเราเครียดเลยอย่างนี้ใช้ไม่ได้จะเดินจงกรมจยนั่งสมาธิก็ต้องรู้สึกกายรู้สึกใจเป็นการซ้อมที่จะรู้สึกกายรู้สึกใจเท่านั้นเองในี่พออยู่ในชีวิตจริงๆเนี่ยพอตามองเห็นรูปคอยรู้สึกกายรู้สึกใจไว้เห็นหน้าคนที่เราชอบ หน้าเราจะเริ่มยิ้มอัตโนมัติรู้สึกไหมเวลาเราเจอคนที่เราพอใจหน้าเราจะเริ่มขยับอ่ยับเจอคนที่เกลียดหน้าจะเริ่มหุกเป็นไหมเนี่ยให้คอยรู้ตัวเองบ้างคอยรู้ตัวเองบ้างนี่เรียกว่าการปฏิบัติตามองเห็นรูป ร่างกายเราเป็นยังไงคอยรู้จิตใจเราเป็นยังไงคอยรู้จิตใจมีความสุขก็รู้จิตใจมีความทุกข์ก็รู้นะพอใจไม่พอใจก็รู้นะเกิดโรค โ, ด โ, ดโกดหลงอะไรขึ้นมาก็รู้นะมองเห็นมือถือรุ่นใหม่เนี่ยไปเดินศูนย์การค้าเดินตามห้างนะไม่ได้เจตนาจะซื้อเลยเห็นมือถือรุ่นใหม่นะโอ้สนใจชะงอกดูล่ะ ในร่างกายเคลื่อนไหวนะเรารู้ทันนะทุ่บกิเลสจะครอบงำใจเราไม่ไดนะ้หรือว่าเราเห็นมือถือรุ่นใหม่ใจเราอยากได้นะเรารูนะ้คอยรู้อย่างนี้แหละเรียกว่าการปฏิบัติงนะั้นสิ่งที่เรียกว่าการปฏิบัตินะก็คือการเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองไม่ลืมมันคอยรู้บ่อยๆพระตามองเห็นแทนที่จะรู้สึก รู้แค่สิ่งที่เราเห็นนะแล้วก็หลงเพลิดเพลิน พ, พ, พอใจหลงไม่พอใจไปนะเราก็รู้กายของเราเราก็รู้ใจของเราเวลาโทรศัพท์เคยเห็นไหมคนโทรศัพนะท์ะทําท่าพิลึกพิลึ ก, ลกใช่ไหมเดินโทรศัพท์เนี่ยนะเขาลืมกายลืมใจตัวเองพอเราไปเห็นเขาเราขาเฮ้ยคนนี้นะสวยเช่ไหมแตพอโทรศัพท์แล้วลืมตัวบางทีตอนฟังอยู่แค่ปั่นเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะ ทำอะไรที่น่าเกลียดน่าเกลียดได้เนี่ยคนไม่มีสตินะมันทำอะไรน่าเกลียดเรามีสติเราไปเห็นเขาใจเรารู้สึกว่าน่าเกลียดจังเลยเนี่ยใจไปว่าเขานะ่ะรู้ทันใจตัวเองถ้ารู้ว่าเขาน่าเกลียดเนี่ยไม่ใช่การปฏิบัตินะถ้าเห็นใจตัวเองอันนั้นถึงจะปฏิบัติอย่างเราเห็นผู้หญิงสวยเนะี่ยรู้ว่าสวย คนนี้สวยจังเลยอย่างนี้ไม่เรียกว่าการปฏิบัติหนะมาตัวผู้มันเห็นหมาตัวเมียมาตัวนี้สวยหนะมายังรู้เลยนะงั้นไม่ใช่การปฏิบัติแต่ถ้าเราเห็นผู้หญิงสวยใจเราชอบรู้ว่าชอบอย่างนี้ถึงจะเป็นการปฏิบัตินะเราเรียนรู้ตัวเองจมูกเราได้กลิ่กนก็หลักเดียวกันนะจมูกเราได้กลิ่น ม, มูเตอรตรเพลินเภาพเมื่อก่อนยังไม่ได้บวช เคยไปตามห้างเหมือนกันนะเห็นผู้หญิงไปยืนที่สมขายน้ําหอมอะไรเงี้ยนะทาที่มือใช่ไหมทาหลังมือแล้วก็ดมกลิ่นนี้เป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวก็เอาอีกขวดหนึ่งมาทาดมอีกนะดมหลายๆกลิ่นแล้วเป็นไงงงเหมือนกันไม่รู้ว่าไหนหอมและนะนะดมตอนนั้นที่เขาดมนะเขาสนใจอะไรสนใจกลิ่นใช่ไหมดมแล้ว เนี่ยทำหน้าตาหน่าเกลียดอย่างเงี้ยไม่รู้หรอกไม่รู้กายของตัวเองหรือดมแล้วเคลิ้เคลิ้มอย่างนี้นะไม่รู้หน้าตาตัวเองเป็นไงก็ไม่รู้นะกริยาท่าทางตัวเองเป็นไงก็ไม่รู้นี่ลืมร่างกายตัวเองจิตใจของตัวเองเป็นไงก็ไม่รู้ดมแล้วใจมันชอบไม่รู้ว่าชอบดมแล้วใจไม่ชอบไม่รู้ว่าใจไม่ชอบได้กลิ่นแล้วก็ลืมกายลืมใจตัวเอง นั่งอยู่ตรงนี้ฮะได้กลิ่นอาหารไหมใครได้กลิ่นบ้างใครได้กลิ่นอาหารยกมือซินะถ้าอยู่ทางนี้ยังได้กลิ่นเนี่ยสุดยอดเลย <c oughs> เพราะอะไรเพราะลมพัดมาทางนี้นะยังได้กลิ่น <c oughs> มีกลิ่นแสดงว่าจมูกดีพิเศษมากเลยนะเวลาได้กลิ่นสนใจนะถ้ายิ่งหิวหิวนะใจมันจะวิ่งไปโออะไรว่าหอมชะมัดเลย ใจมันจะวิ่งไปหาอาหารเราไม่รู้ว่าใจเราวิ่งไปหาอาหารนะวิ่งไปหาต้นต่อของกลิ่นใจไม่รู้แอบชนเหลืองชงโงกนะอย่าว่าแต่ยมเลยตอนเชา้ชาๆหลวงพ่อเดินตรวจพระเนี่ยนะะตอนตักอาหารเนี่ยพระเช้าๆหิ ว, วนะเพระพระไม่ได้กินข้าวเย็นบางองค์ไม่ได้กินข้าวกลางวันด้ยกินแต่ตอนเชา้าอดมายีิบสี่ชั่วโมงแล้ว มันถาดอาหารมาเนี่ยกลิ่นมันมาแล้วเสียงมันก็มาใช่ไหมได้กลิ่นเลื่อนถาดอาหารเนี่ยกลิ่นเอียดๆดิห น, น่ะนะใจเนี่ยมันวิ่งไปแอบชะโงกนะอย่าได้โยมเลยพระชะโงกนะนะไม่ใช่เขาชะโงกนะแต่พระชะโงกนะชะโงกไปดูอะไรเนี่ยจะตักถาดไหนดีนะต้องเล็งนล้เนี่ยไม่เห็น ไม่เห็นว่าร่างกายกำลังชะงกไปดูเนี่ยนะแต่พระของหลวงพ่อดีนะไม่ชะงกแล้วน้ำลายไหลไหลยอยู่ภายในไม่ไหลออกข้างนอกไม่นักเกลืขนาด น, นั้ น, นแล้วใจนี่มันวิ่งไปละอะไรอะอะไรอะ่เงี้ยใจมันสนใจใจเกิดความสงสัยว่ามันคืออะไรถ้าเป็นนักปฏิบัติกร็รู้ว่าใจกำลังสงสัย รู้กายของตัวเองร่างกายเคลื่อนไหวนะรู้สึกจิตใจมันมีอะไรเกิดขึ้นรู้สึกแนี่เรียกนักปฏิบัติเนะมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่ริมคลองบ้านอยู่ริมคลององอ่างชื่อพีิลึกไหมใครรู้จักคลององอ่างบ้างเป็นคลองคูเมืองกรุงเทพแล้วคลนะองคูเมืองกรุงเทพนะรู้จักคูเมืองไหม ว่าคนยุคนี้ไม่รู้อะไรสักอย่างนะรู้แต่เ c e b o o k รู้แต่ไออะไรไอจี I, บ้านอยู่รืมคลององอ่างนะในคลองเนี่ยบางทีก็มีอะไรลอยลอยมามทีแม่ค้าผายเรือมาผายเรือมาขายผลไม้ขายขานมขายอะไรเราสนใจก็ไปดูนะบะที แม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวเหลือพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวขายอนะไรกลิ่นนันมานะเราก็สนใจไปดูบางทีหมาเน่าลอยมาเคยมีที่โหดที่สุดนะคือมีหมาลอยมาหมาตายนะดันโยนทิ้งน้ำจนะบอกหมาตกน้ำตายแล้วเจ้าของทิ้งก็ไม่รู้เหมือนกันหรือหมาตายแล้วเอามาโยนน้าก็ไม่รู้หมาตาย้โหกลิ่น ดูเดิดมากเลยใจเนี่ยนะทั้งสยดสยองทั้งขยับขยงแมงวันเนี่ตอมเต็มเลยนะแล้วมองวันเนี้ไปไข่ไว้ขาวเลยที่ตัวมันใครเป็นหนอนไต่ยุกยับยุบยั บ, ยบเนี่ยตาเรามองเห็นจมูกเราได้กลิ่นนะใจเราสยดสยองแล้วไม่รู้ไม่รู้เนี่ยรังเกียจในกลิ่นนี้นมากเลยบางทีก็มีหมูตายลอยน้ํามา บานทีก็มีของที่เราพอใจลอยน้ำมานะอย่างแม่ค้าไปมาอนะไรเงี้ยแน่ใจเรามันออกข้างนอกตลอดนะเห็นรูปใจก็ไปที่รูปนะลืมกายลืมใจตัวเองได้กลิ่นนะใจก็ไปข้างนอกนะเวลากินอาหารบางทีตั้งใจใจไดเอทจะลดน้ำหนักนะ วิธีลดน้ำหนักที่ดีที่สุดเลยนะรู้อยากรู้ไหมเป็นมะเร็งสิลดแน่นอนนะแน่แค่ไหนก็ลดนะไปให้คีมโมอะไรเงี้ยนะหรือถึงไม่เป็นนะไปขอหมอลองให้คีมโมดูนะแล้วจะรู้ว่าลดน้ำหนักมันลดง่ายนะได้กิน อ, อาหารก็อาเจียนเลยอรเงี้ยมันลดอัตโนมัตินี่คนทั่วๆไปไม่ได้เจ็บไได้ป่วย จะลดน้ำหนักเนี่ยยากหรือง่ายยากนะเนี่ยสาวๆอยากจะลดน้ําหนักน้ำหมูนี้อ้วนเกินไปแล้วเสื้อชักจะตึงนะกระโปรงชักกระครับอะไรอย่างเงี้ยชักจะกลุ้มใจอยากลดน้ําหนักแต่ลดยิ่งลดยิ่งเพิ่มเพราะตอนจะลดคิดลดน้ําหนักเนี่ยมันเครียดใช่ไหมเครียดแล้วมันจะยิ่งหิวบ่อยยิ่งคิดจะไม่กินนะใจมันจะยิ่งคิดเรื่องกินมากขึ้น พอวตั้งใจจะไม่กินนะมันจะคิดถึงของจินบ่อยใครเคยเป็นอืมพวกพระจะรู้ดีพ ร, พระจะอดข้าวเย็นนะอดข้าวเย็นแต่ว่าพระโยมนั้นไม่เหมือนกันนะโยมถ้าถือศีลแปดเนี่ยนะใจจะคอยวอกแวกคิดถึงอาหารนะเดี๋ยวจะได้กินนะเดี๋ยวตอนนี้จะไปกินในตอในใดเลยหรือออกจากวัดไปนะพ้นวัดไปเมื่อไหรจะกินวมื่อ น, นั้นจะชอดเชยอะไรเงี้ย แต่พระเนี่ยถ้าตั้งใจบวชตลอดชาติเลยนะจะไม่ได้กินอีกแล้วพอใจมันปร่งตกว่าจะไม่ได้กินอีกแล้วมันจะไม่คิดถึงอาหารหรอกมันจะไม่หิวหรอก น, ะนี่เป็นเคล็ดลับนะถ้าไม่ได้บวชแบบตั้งใจอย่าบวชทั้งชาติเนี่ยไม่รู้หรอกถ้าตั้งใจบวชทั้งชาติแล้วชาติต่อไปเนี่ยจะไม่ได้กินอะไรหลังเพนแล้วใจมันจะไม่เอานะใจมันจะยอม รับสภาพนะใจะไม่ไปคิดถึงอาหารไม่ไปกังวลเรื่องอาหารใจไม่เหมือนอย่างเราถือศีลแปชั่วครัง้งชั่วคราวเนะี่ยจะค่อยวกไปคิดเรื่องอาหารเรื่อยๆบางคนก็ต้องตุนมีท็อฟฟี่มานะอมไปเรื่อยๆเดี๋ยวร่างกายจะขาดน้ําตาลอนะไรเงี้ยมีขาดหรอกอดสองวันยังไม่ขาดเลยนะบางคนนะ่ะนี่ยเราค่อยรู้ทันกายรู้ทันใจตัวเองนะเรียกว่าการปฏิบัตนะิตามองเห็นรูป ร่างกายเราเคลื่อนไหวยังไงรู้สึกจิตใจเราเคลื่อนไหวยังไงรู้สึกจมูกเราได้กลิน่นลิ้นเราได้รสนะกายเรากระทบสัมผัส ต, ต่างๆเนี่ยร่างกายเราเคลื่อนไหวเรารู้สึกจิตใจเราเคลื่อนไหวรู้สึกนะตาหูจมูกลิ้นกายากระทบอารมณ์นะร่างกายเราเป็นยังไง ร, รู้นะได้รูปได้เสียงได้กลิน่นได้รสได้ปดถพระพีมีสิ่งมากระทบร่างกายเป็นไงก็รู้ เวลาลมหนาวโกรกเข้ามาใส่ร่างกายสัน่นรู้สึกไหมสัน่นถ้าไมสัน่นเพื่อเพิ่มอุณหภูมิของตัวเองนะสั่นขยับเคลื่อนไหวเพื่อเพิ่มอุณหภูมิของตัวเองเป็นวิธีต่อสู้ของร่างกายนะในร่างกายเราสัน่นแล้วเรารู้ทันนะไม่ใช่ลมหนาวมาดา่าเทวดาเสือกปล่อยลมหนาวมาเยอะอะอย่างเงี้ยนะเทวดาไม่เกี่ยวเลยทุกดา่านะหรือฝนตกเนี้ย เบียกฝนโมโหเ ท, ทวดาร้อนขึ้นมาก็ดา่าเทวดาอยู่นะเทวดาไม่ได้เกี่ยวข้องอเลยรย่าเที่ยวโทษจินฟ้าอากาศไร่นต่อไปนี้ไม่เป็นโทษของข้างนอกนะคอยดูกายคอยดูใจของเราเองนะตาหูจมูกริ้นกายกระทบอารมณ์กระท บ, ร, ร, ะทบรูปเสียงกลิน่นรสสัมผัสทางกายนะร่างกายเราเป็นยังไงรู้สั่นระู้สั่นแล้วไม่ชอบเลยหรือกังวลว่าเดี๋ยวจะเป็นหวัดแนละ้ว รู้ว่ากังวลนะหลวงพ่อเคยได้ดีคราวหนึ่งนะตอนนั้นฝนตกฝนตกพายุเข้ากรุงเทพเนะมื่อวันที่ยี่สิบสามกันยาปีสองห้าพายุมาเข้ากรุงเทพแล้วนะฝนกรุงเทพนี้นิสัยเสียอย่างหนึ่งนะชอบ ต, ตกตอนเลิกงานรู้สึกไห ม, มทำไมเรารู้สึก ง, งั้นความจริงมันตกทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละ แต่ว่าตอนอื่นเราอยู่ในที่ร่มเราไม่ได้สนใจมันมีฝนก็เหมือนไม่มีแต่ตอนจะไปทํางานตอนจะเลิกงานเนี้ยเราต้องเคลื่อนไหวออกมาข้างนอกเราเลยรู้สึกว่าฝนชอบมาตกตอนนี้ความจริงมันไม่ได้มาเลือกเวลากล่นแกล้งเราหรอกนะวันนั้นโดนฝนพายุมานะถือร่มออกมาเนี้ยร่มพับไปเลยร่มพังไปเลยนะไม่ต้องพับเก็บเรียกฝนหมดเลยแล้วไปหลบฝนอยู่ที่วัดข้างๆที่ทํางาน นั่งกอดเข่าอยู่เนี่ยทั้งๆกอดเข่าเพราะว่าตัวเราเปียกมากนละ้วน้ําหยดติ้งๆเลยถ้านั่งพับเพียบนั่งกัดสมาธิอะไนเนี่ยพื้นที่ที่จะเปียกน้ําเนี่ยจะเยอะเรานั่งเปียกพื้นที่เล็กๆเนี่ยจะได้เช็ดแคบๆหน่อยนะไม่ทํากุฏิพระให้เปื้อนมากนี่พอตัวเปียกนะใจก็คิดเลยเปียกฝนที่อะไรเป็นวัดทุกทีของพ่อเมื่อก่อนอยู่กรุงเทพนะ เป็นโรกฟูมิแพ้อยู่แล้วล่วนะหัดเชยหัดเชยอยู่ทั้งปีอะนะเพราะว่าอากาศในกรุงเทพเนี่ยแย่มากนะคนกรุงเทพเนี่ยตกนรกตั้งเป็นเลยนะเสวยกันอนิจฐาารมอารมณ์ที่ไม่ดนะีทางจมูกเนี่ยตลอดเวลานะนี่เพาตัวเปียกใจเขากังวลว่าคงจะเป็นหวัดอีกหละพอใจกังวลปุ๊บเราเคยปฏิบัติินชำนาญนลนะ ใจกังวลปุ๊บรู้ว่าใจกังวลพอรู้ว่าใจกังวลเนี่ยศีลสมาธิปัญญาของเรามีกําลังแก่กล้าแล้วความขมวลนนะ่ะขาดสะบั้นเลยจิตรวมพิบเลยนะโลกธาตุนี้หายไปพายุกําลังมาฟ้าผ่ า, า, าเปรี้ยงเปรี้ยงเี้ยงแผ่นดินเสะเตือนดั้นดันนะ่นพายุซัตว์โครงคลามไเลนะไม่มีเหลือเลยนะมันก็ซัดของมันไปแต่จิตเราไม่รับรู้ โลกนี้หายไปร่างกายนี้หายไปเหลือแต่จิต ด, ดวงเดียวนะเนี่ยข้าเราฝึกของเราเรื่อยๆที่จะคอยรู้กายรู้ใจของเราเองถึงเวลามันมีผลขึ้นมานะพอใจมันถอยออกมาเนี่ยใจเราเปลี่ยนไปแล้วใจเราไม่เหมือนเดิมแล้วใจเรารู้ความจริงของชีวิตแล้วว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปทั้งหมดเลยกระทั่งโลกทั้งโลกเกิดแล้วยังดับไปได้เลยนะร่างกายนี้เกิดขึ้นมาแล้วยังดับไปได้เลย เนี่ยจะค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วจิตเนี่ยเหลือจิตดวงเดียวนะจิตดวงเดียวเนี่ยความคิดนึกปรุงแต่งดับไปนียเหลือแต่จิตันเดียว<ม>เราก็รู้ว่าโอ้ทุกอย่างนี้เกิดแล้วดับได้ น, นี่ใจมันก็จะพัฒนาใจะฉลาดขึ้นมาเพรนการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การหลับหูหลับตาไปนั่งสมาธิหรือไปเคร่งเครียดเดินจงกลมนะแต่มันคือความมีสติ คอยรู้กายคอยรู้ใจของเราไปไเรื่อยๆตามองเห็นร่างกายเป็นไงรู้สึกจิตใจเป็นไงรู้สึกจะมูได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจเราคิดนึกนร่างกายเราเป็นไงรู้สึกจิตใจเราเป็นไงรู้สึกอย่างที่หลวงพ่อคิดนึกคือคิดว่าเดี๋ยวฝนตกเปียกฝนอย่างนี้เดี๋ยวจะต้องเป็นหวัดใจกังวลรู้ว่ากังวลเนี่ยเรียกว่าการปฏิบัต แต่มันต้องรู้จนกระทั่งอัตโนมัติรู้จนไม่เจตนาจะรู้ก็รู้ได้ต้องฝึกจนถึงตรงนีนะ้ถ้ายังต้องจงใจรู้อยู่เนี่ยจิตเรายังอ่อนแออยู่ยังพัฒนาไม่พอดังนะนั้นถ้าเราฝึกไปเรื่อยหัดรู้ไปเรื่อยนะตามองเห็นกายเป็นไงรู้สึกใจเป็นไงรู้สึกจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสนะร่างกายเป็นไงรู้สึกใจิตใจเป็นไงรู้สึก ใจคิดนึกปรุงแต่งร่างกายเป็นไงรู้สึกใจิตใจเป็นไงรู้สึกหัดรู้สึกบ่อยๆต่อไปจะรู้สึกอัตโนมัติตรงที่รู้สึกอัตโนมัติแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเกิดมรรคผลนิพพานน่ะจะมะีถ้ายังต้องจงใจรู้สึกเผลอแล้วตลอดเวลากลับมารู้กลับมารู้อันนี้ยังอ่อนหัดอยู่ต้องฝึกให้มากอพยายามฝึกเข้านี่เรียกว่าการปฏิบัติอ เทศบทนี้ต้องชื่อว่านี่เรียกว่าการปฏิบัติ น, ะนั้นพยายามปฏิบัตินะด้วยการที่มีสติรู้สึกกายรู้สึกใจอยู่เสมอเสมอตลอดเวลาที่มีการกระทบอารมณ์ถ้าทำได้ทุกคราวที่กระทบอารมณ์ก็คือปฏิบัติตลอดเวลาลวเพราะเรากระทบอารมณ์ตลอดเวลาโยวเว้นตอนที่จิตหลงผวาหรือตอนหลับลึกๆไปเท่านั้นเองนอกนั้นกระทบอารมณ์ทางนั้น เรากระทบอารมณ์ลมแล้วร่างกายรู้สึกร่างกายเป็นไงรู้สึกจิตใจเป็นไงรู้สึกแค่นี้แหละที่จะฝึกกันแ้าเป็นแทบตายนะจะข้ามภพข้ามชาติได้ก็แค่นี้แหละไม่มากกว่านี้หรอกนะมีเท่านี้แหละแต่กว่าจะเป็นอัตโนมัติฝึกกันหน้าดูกันนะส่วนมากไม่อัตโนมัติต้องนานๆรู้สึกขึ้นถิ่งบาที ต้องโกรธแรงๆ แ, แล้วถึงจะรู้อะไรเงี้ยบางคนไปชกหน้าคนอื่นนะไปตบคนอื่นนะชกไปแล้วตบไปแล้วยังไม่รู้เลยว่าร่างกายไปตบเขานะเห็นแต่หน้ามันหันไม่เห็นว่ามือเราตอบอะไรเงี้ยอย่างนี้ใช้ไม่ได้เพราะนนร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกนะบางคนนะแต่ตกเขานะีมันรู้สึกละนะสติเกิดละแต่มือนี่ยังไม่หยุดนะ มือมันยังรับออเดอร์ของจิตดวงก่อนที่ให้ตบมันยังไม่หยุดคําสั่งเปลี่ยนแปลงเนี่ยไปไม่ถึงมือนะมันตบพวกรึแล้วจิตเป็นอเวกขาในขณะนั้นนะตัวเนี้ยอกุศลมีน้อยนะอ่าเป็นกรำเล็กน้อยนะ้วเพราะว่าจิตเราบริสุทธิ์แล้วนะจะไปหัดตบก็เห็นนะเนี่ยนะปึกดูจิตที่เป็นกลางขึ้นมา เป็นเองอัตโนมัติหลวงพ่อไม่เคยไปตกไข่นะยุงเยอะเลยไม่ตกแล้วนะยุงแต่ก่อนเคยจะตกมันเคลื่อนไหวมันรู้สึกนะเ่ขนไมารู้สึกเปลี่ยนจากการตกเป็นจับหลวงพ่อจับยุงเก่งนะยุงไม่บอบช้าเลยจับอย่างกลางอากาศเลยนะจับได้ทําไมเคลื่อนไหวได้อย่างนี้ฝึกพิทยายุทธ์มานะ เคยดูหนังจีนไหมเตี่ยสัมงพงอะพระมาจารย์บูตึงนะกว้างเต้าหู้วะนี่จับเต้าหู้ไม่แตกเลยเต้าหู้นิ่มๆนะเต้าหู้ขาวๆจับได้หลงพัดฝึกกระบี่ยุงบินมาเนี่ยจับเฉยๆเลยนะยุงไม่บอบช้ำเป็นความสามารถเฉพาะตัวห้ามเรียนแบบนะเดี๋ยวจะมา อาว่าจะจับแบบเตียวสัหงชุบกลายเป็นจับแบบกลัวหลายแอ่แบบนั้นแตก แ, แล้วนะเนี้ยหัดไปนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้จิตใจเคลื่อนไหวรู้นะฝึกไปจนกระทั่งเป็นอัตโนมัติถ้าฝึกได้อย่างนี้มาผลนิพพานนะไม่มีไปไหนหรอกไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าไม่ชาติหน้าก็ชาติต่อๆไปอฟันะงแล้วมีกําลังใจไหม อาจจะต่อต่อต่อต่อต่อไปแล้วแต่ขยันฝึกแค่ไหนถ้าขยันก็ไม่นานหรอกหนูงพ่อเคยถามครูบาอาจารย์ถ้าฝึกจริงๆอ่ะใช้เวลานานไหมกว่าจะบรรลุโสดาอะไรเงี้ยไม่นานประโมทไม่นานหรอกนะไม่เกินเจ็ดชาติเราฟังว่าเจ็ดชาตินานนะแต่ถ้าเราระลึกชาติเป็นเราโอ้โเราเกิดมาไม่รู้กี่แสนกี่ล้านชาติเจ็ดชาตินิดเดียว สละความสุขในโลกความเพลิดเพลินยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในเรื่องราวที่เพลิดเพลินซะแล้วมาเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองนี่เสียสละแค่นี้แหละรูปเสียงกลิ่นรสอะไรพวกนั้นเรียกว่ากามอย่าบ้ากามนะอย่าสนใจกับกามมากเคยสนใจเรียนรู้ตัวเองฝึกอย่างนี้แหละอดทนไปต่อไป สติอัตโนมัติเกิดสมาธิอัตโนมัติเกิดปัญญาอัตโนมัติเกิดนะเราวีมุติมากผลมันจะเกิดนะเกิดเองไม่ยากไปกินข้าวไปไปกินข้าวคือปฏิบัตินะรู้กายรู้ใจไปนิมนต์เลยครับตอนนี้พระเยอะนะครับนิมนต์ได้แท้ใจปีติองเดียวครับขาประจำนะองอื่นนิมนต์ข้างนอกเลย ก็สะดวกอย่างนะไม่ต้องล้างบาทเชิญกรรมาการกับพี่เรียก